ฮาเลลูยาเป็นขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราได้มสาสังรรพระเจ้าร่วมกันแล้วก็วันเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งอะไรครับเดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นวันเพนเทคอสหรือว่าวันเพนเทคอสเตที่เราลึกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเซน อยู่กับมนุษย์ตั้แต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้และตลอดไปเป็นนิดนะครับและวันนี้ทั้งภาคเช้านะครับและภาคบ่ายขอบคุณพระเจ้าพระกัมพีตอนเดียวกันเมื่อเช้านั่งฟังท่านอาจารย์นันทชัยก็บอกอาจารย์แบ่งไว้ให้ผมแบ่งปันตอนบ่ายบ้างก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับน้องครับเมื่อเราปลูกลต้นไม้ ผ ล, ลไม้เราก็ต้องรอแล้วก็ลุ้นว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นจะออกผลหรือเปล่าในตอนนี้ผมกำลังลุ้นต้นมะละกอที่สวนใต้ต้นก้ามปูข้างหน้านี่นะครับปลูกไว้ประมาณ10บต้นนะครับต้นที่โดนแดดก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเริ่มตูมแล้วนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าจีมันตูมดอกขึ้นแล้วนะครับลุ้นตอนแรก ไปอ่านตำลามากเลยว่ามะ ล, ละกอพันฮอลแลนด์นะครับอันนี้เอาเม็ดมาจากคุณหมอเกียวพันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยคุณหมอไม่ได้ขายแล้วครับเพราะสวนผมจะออกเต็มเลยแดเดือนถึงจะออกลูกโอ้ยในใจลุ้นมากเลยนะครับผมก็เริ่มลงปลูกตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษาตอนนี้เริ่มตูมแล้วนะครับเริ่มลุ้นว่าจะออกลูกแน่นะครับเราแน่นอ น, นครับ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราถูกปลูกไว้ในสวนของพระเจ้าพระเจ้าก็รอที่จะให้รอที่จะชื่นชมผลนะครับพระคริสตเจ้าตรัส ว, ว่าเราทั้งหลายเราไม่ได้เลือกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งให้ท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลนี้ผลของ พระเจ้าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาประทับในชีวิตของเราตั้งแต่เมื่อเราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราอยู่ในพระองค์ที่เราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนนะครับพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราเกิดผลพรียสงเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์แน่นอนเขาเหล่านั้นฟังและเขาก็ปรารถนา ที่จะมีชีวิตที่เกิดผลเพราะพี่สุริเจ้าตรัสว่าถ้าท่านเกิดผลมากท่านก็เป็นอะไรครับสาวกของเราข้อประโยคนี้หนักใจนะครับหลายคนบอกว่าเราไม่เกิดผลแล้วจะเป็นสาวกได้หรือเปล่าแต่ผลไม่ได้มีตัวชีวัดอย่างเดียวเราดูที่เมื่อเรา รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระลักษณะต่างๆของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับพี่น้องครับคริสเตียนจะมีผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ประทับในชีวิตของเราไม้ว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับข้อที่ได้ข้ามไปตั้งแต่ข้อ10 7จนะครับจนถึง2 0ส ผลของเนื้อหนังมีถึง17ประการเลยไม่ได้อ่านด้วยกันแต่สรุปสั้นๆส่ประเด็นก็คือว่าเป็นเรื่องของอความบาปทางเพศความบาปด้านความเชื่อความบาปด้านสังคมและความบาปทางการกินการดื่มเราก็จะพบว่าในสังคมปัจจุบันถ้าพี่น้องหรือว่าอ่านข่าวใน โซเชียลมีเดียสองสัปดาห์ข่าวอะไรดังที่สุดครับเปรี้ยวค่าหาันศพนี่ตอนนี้ประเทศไทยไม่มีอะไรน่าติดตามแล้วนะครับพอจับได้หมดแล้ว5้าคนเราก็พบว่าความบาปเต็มไปหมดข่าวที่เป็นข่าวของความรุนแรงเป็นข่าวที่เลตติ้งสูงที่สุดข่าวเป็นเรื่องของความดีความาไปช่วยเหลือโน่นนี่นั่นนะครับ แทบจะมีมีใครอ่านเลยเรตติ้งตกในพระคัมภีร์เราพบ ว, ว่าลักษณะของความบาปนั้นมีมากแล้วก็คำที่ใช้เกี่ยวกับความบาปก็มีเยอะอย่างเช่นคำว่าโกหกการโกหกมีคำอะไรบ้างครับที่ใช้ถึงพูดถึงคำโกหกพูดปดโกหกโมเด็กเลี้ยงแกะขี้จุ กี่หกสารพัดนะครับสตอเนะี่ยวัยรุ่นเขาใช้คำว่าการสมัยก่อนการปลีนปล่อนเขาเรียกว่าตอแหลใช่ไหมครับภาษาวัยรุ่นปัจจุบันใช้คำว่าสตอนะบางทีเราคนสูงอายุหน่อยไม่ไม่ทันนะครับอย่ามาปลูกสตอแถวนี้ งงนะครับแต่จริงๆเขาบอกจะมากโกหกอะไรประมาณนี้นะครั บ, รบมันมีเยอะแยะมากมายแต่ผลของพระวิญญาณครับภาษาเดิมตอนเช้าท่านอาจา ร, รย์นันทชัยก็ได้บอกแล้วนะครับภาษาเดิมที่ใช้คําว่าผลของพระวิญญาณนั้นเป็นคําที่เป็นเอกพจน์คือผลเดียวผลของพระวิญญาณผลของพระเจ้าแต่ผลของเนื้อหนังนั้นใช้คําเป็นพระหูพจน์มันเยอะมากเลยนะครับ อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเยอะเหลือเกินทีนี้ชีวิตของเรานะครับไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนที่จะอยู่ได้เฉยๆนั้นพระกัมภีร์ที่เราอ่านด้วยกันเมื่อสักครู่ว่านั้นการงานของเนื้อหนังกับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นศัตรูกันพระคัมพีฉบับสองพันบเอ็ดนะครับใช้คําว่าขัดแยง้งหนึ่เจหนึ่งใช้คําว่าต่อสู้นั่นเองเราจึง สัมผัสได้ว่าขณะที่เราปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเสมอและบ่อยๆครั้งเราก็แพเหมือนเพลงนันครับเราต้องการชีวิตของฉันนั้นล้มเหลวทุกๆวันต้องการพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงฉันทุกวันที่พระเจ้าจะทรงฟืน้นฟูจิตวิญญาณของเราให้มีชีวิตตามอย่างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราที่จะเป็น นั่นเองผลของพระวิญญาณ9ประการนั <S <s ้นนะครับบทเดียวกันกับเมื่อตอนภาคเช้านะครับแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกนั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือว่าความรักที่มีต่อพระเจ้านะครับกลุ่มที่2เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์หรือว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อกับเพื่อนมนุษย์กลุ่มที่3านั่นก็คือความสัมพันธ์กับตนเองแน่นอนครับเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และมีความสัมพันธ์กับตนเองซึ่งหลายครั้งเราเองเมื่อเราลำผิดสิ่งที่ติดใจก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองเราได้สิ่งที่เราจะหลุดนอกจากพระเจ้าทรงให้อภัยเราแล้วพี่น้องให้อภัยเราและเราก็ต้องให้อภัยกับตนเองด้วยในความสัมพันธ์ทั้งสาอย่างนี้นะครับตอนบายนี้อยากจะแบ่งปันที่เรียกว่า มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้าเป็นความเกี่ยวข้องกับความประพฤติและเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยส่วนตัวภายในของเราประการแรกนั้นผลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้านั้นคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขเพราะว่านี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็น ความรักพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ลงมาสัมผัสให้เราได้สัมผัสเป็นเหมือนกับมนุษย์ทุกทุกคนผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในองค์พระคริสต์เจ้าก็จะมีความประสบการณ์กับพระเจ้าในปริมาณที่มากลักษณะทั้ง3อย่างนี้พระคริสต์เจ้าทรางทําให้เรารู้จักกับพระเจ้า กับพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและเมื่อเรามีความปิติยินดีที่จะกล่าวถึงพระองค์สันติสุขนั้นก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจความรักเป็นผลแรกนะครับแม้กระทั่งในพระธรรมโครินผู้คนในคริสตจักรโครินนั้นต่างแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ทั้งหมดทั้งมวล น, นะครับแต่อาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าจะสําเดงให้ท่านว่ามีของประทานที่ใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้และจะสําเดงให้ท่านรู้แล้วท่านก็บอกว่าความรักคืออะไรขณะที่เราอาจจะผู้คนอาจจะมีของประทานมากมายมีความรู้มีความฉลาดมีวาทนที่ดีแต่ไม่มีความรัก แม้ว่าของประทานเหล่านั้นจะมีมากมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรความรักที่สําแดงออกมาในรูปแบบต่างๆนั้นเป็นรากฐานและเป็นพลังที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลอย่างอื่นต่อต่ อ, ตอไปการสําแดงความรักของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ทรงเทความรักของพระองค์มาในชีวิตของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและพระองค์ทรง เทความรักของพระเจ้านั้นให้เราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองคริสเตียนจึงมีความรักมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับพัฒนาการการได้รับการฝึกฝนมากน้อยเท่าไหร่พระวิญญาณจะทรงช่วยเราให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่รู้ ในโรงเรียนพระคัมภีร์ต่างประเทศนะครับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็สามารถมาเรียนได้และเขารู้เรื่องพระคัมภีร์รู้จักรู้เรื่องพระเจ้ามากกว่าคริสเตียนด้วยซ้ําแต่คนเหล่านั้นไม่ได้มีพระเจ้าแต่เมื่อเรามีพระเจ้าพระองค์จะทรงสอนเราให้รักอย่างพระองค์รักอย่างที่พระเยซูกิจเจ้าทรงเป็นจนกระทั่งที่เราจะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่เป็นศัตรูรักคนที่จะ คนที่คมเหงคนที่ทำร้ายเราคนที่เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะรักถ้าเรายอมให้พระเจ้าส่งเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะทรงสอนให้เรานั้นมีความชื่นชมยินดีความปรบเปื้มใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้น หรือว่าไม่ไดเ้เกิดขึ้นเองแต่มันเป็นพันลักษณะของพระเจ้าเมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราความสุขและความทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันไม่ใช่สุขสุขสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าความปรับปริ่มใจกับ ความเศร้าใจหรือว่าความเห น, นื่อยนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยู่ในเวลาเดียวกันได้คือเรายินดีที่จะรับความทุกข์ใจนั้นมันไม่เหมือนกับความสุขกับความทุกข์เกิดขึ้นได้พร้อมกันคนที่เชียร์กีฬาถ้ากีฬาที่แพ้เศร้าครับ ไม่มีดีใจแน่นอนเศร้าอย่างเดียวไม่มีดีใจแต่แต่ถ้าชนะดีใจไม่มีเศร้ามันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าความปราบปรื้มใจหรือความชื่นชมยินดีนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกับความทุกข์นี่เป็นลักษณะพิเศษที่พระเจ้าสามารถที่จะทําให้คริสเตียนเรานั้นมีนั่นเองพระคริสต์เจ้าจึงประทานความชื่นชมยินดีนี้ให้กับ เราสาวกของพระองค์และผู้เชื่อในพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงพระองค์ตรัสว่าไงครับจงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วสันติสุขะครับนักเทศน์หลายคนพูดบ่อยแล้วนะครับสันติสุขคือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าการที่เราได้คืนดีกันกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้านั่นเองสันติสุขนี้ก็จะ เกิดขึ้นในชีวิตของเราและความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นแต่พี่น้องครับหลายครั้งที่เราเปิดช่องให้กับเนื้อหนังเปิดช่องให้กับความบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เราก็ได้สัาแดงความอ่อนแอออกมาสัแดงความแตกแยกออกมา หวานความแตกแยกออกมาซึ่งตรงกันข้ามกับผลของพระวิญญาณนะครับแบ่งพักแบ่งควบตรงข้ามกับการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกก๊กและหลายๆลายครั้งชีวิตของเราก็ไม่ได้สัมแดงออกว่าพระเจ้าประทับในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่เราพูด ผมคิดถึงบุตรน้อยหลงหายพี่น้องอาจจะงงว่าจะเข้ากับตัวอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนแรกขอแบ่งมรดกและก็ออกจากบ้านไปใช้ชีวิตที่สำ ม, มเลเทเมาย่ำแย่จนตกทุกข์ได้ยากต้องเป็นลูกจ้างเลี้ยงหมูซึ่งคนยูหรือว่าคนตะวันออกกลางจะไม่ทำอาชีพนี้ถือว่าเป็นคนที่ตกต่ำ เป็นอาชีพที่ต่ำแต่เมื่อเขาคิดขึ้นได้เขาก็บอกว่าที่บ้านของเขาเนี่ยคนใช้ของพ่อไม่ต้องกินไม่ต้องแย่งอาหารหมูไม่ต้องแย่งฝักถั่วของหมูมีอาหารกินที่ดีเขาจะกลับบ้านและขอโทษพ่อและขอเป็นลูกจ้างของพ่อเพราะว่าเขาเนี่ยได้มรดกมาท้หมดแล้วไม่เข้ากลับบ้าน ความรักของพ่อนั้นก็คือว่าพ่อรอคอยลูกกลับบ้านเมื่อเห็นลูกกลับมาพ่อวิ่งลั้งสองคนโผลกอดกันด้วยความรักพ่อมีความเมตตาให้อภัยอดทนส่วนลูกคนที่แล้วพ่อก็ให้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนื่องจากว่าลูกคนนี้เป็นเหมือนกับ คนที่ตายไปแล้วแล้วกลับมีชีวิตอีกนั่นคือความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แต่คนที่ไม่มีสันติสุขก็คือใครครับพี่ชายพี่ชายบอกว่าไงครับพ่อครับผมอยู่กับพ่อมาช่วยพ่อทำงานตลอดไม่เห็นพ่อคาสัตเลี้ยงฉลองให้ผมเลยดูสิน้องอ่ใช้ชีวิตย่าแย่แต่ พอเขากลับมาพ่อกลับฉลองให้เขาความอิจฉาความแบ่งพักแบ่งขักวเกิดขึ้นแต่พ่อบอกว่าอะไรครับแท้ที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่พ่อมีอยู่นั้นเป็นของลูกทั้งหมดมันเป็นของลูกครับเราเห็นถึงความรักของพ่อคนนี้ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าประการที่สองครับผลที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติ ความอดกลั้นใจความประณีความดีผลเหล่านี้กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ความอดกลั้นใจบางทีคนที่ใจร้อนก็ไม่ค่อยอดกลั้นใจหลายครั้งผมก็ไม่กลั้นและไม่ทนแต่เมื่อเรารู้สึกเมื่อเราสัมผัสเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ความอดกลั้นใจนั้นเป็นความแตกต่างจากกับความอดทนความอดทนนั้นเป็นการทนอดถ้าจะให้เข้าใจความหมายของคำอดทนก็คือทนอดอดอะไรครับบางทีอดอยากอดหิวนะครับอดทนทํางานหนักอดทนต่อความยากจนความลําบากนี่คือความอดทนแต่ว่าความอดกลั้นนั้น3เป็นความอดกลั้นใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ที่อาจจะเราอาจจะถูกคมเหงอาจจะถูกข่มใจเราสามารถที่จะข่มใจไว้ได้ไม่ยอมที่จะแก้แค้นนั่นคือความอดกลั้นใจอย่างไรครับเจ้านายคนหนึ่งบอกกับลูกจ้างที่เป็นคริสเตียนบอกว่าพระเยซูจะทําอะไรกับคุณได้ ไม่เห็นจะช่วยอะไรคุณได้ลูกจ้างคริสเตียนบอกว่าไม่ครับความจริงพระองค์ช่วยผมช่วยผมให้สามารถให้อภัยคุณได้นี่ไงผมอ่านในโซเชียลมีเดียของเป็นเรื่องเล่าเรื่องจากประเทศจีนผู้กองทัพกอง กองร้อยทหารกองหนึ่งที่มีทหารเป็นคริสเตียนอยู่หนึ่งคนแล้วที่เหลือนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนและครูฝึกนั้นก็โมเห็งอยู่ตลอดและมาวันหนึ่งทุกคนก็มาเข้าแถวพร้อมกันและครูฝึกก็บอกว่าถ้าพระเจ้าของคุณมีจริงคุณให้คุณไปถอยรถคันที่จอดต่อหน้า กองร้อยนี้เข้าไปเก็บที่โรงจอดทหารเกณฑ์คนนี้ทั้งชีวิตไม่เคยจับรถพ่วงมาลัยรถหนึ่งขับรถไม่เป็นขึ้นไปในเงือโชคเพราะกลัวไม่มั่นใจขาดแล้วเขาเมื่อเขาขึ้นไปเขานั่งควบที่พ่วงมาลัยและเขาขออธิษฐานพระเจ้าช่วยผมด้วย ขณะที่เขาก้มลงอธิษฐานนั่นเองรถก็เคลื่อนตัวถอยเข้าไปสู่โรงเก็บรถเขาก็เข้าจะเามีความรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขาจะต้องตายแน่ๆเพราะทั้งชีวิตขับไม่เคยขับรถไม่เคยจับพวงมาลัยรถแล้วเมื่อเขา รถเข้าไปจอดอยู่ในโรงรถเรียบร้อยทุกคนก็ปรบมือแล้วทุกคนบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าของคนนี้มีจริงแล้วครูฝึกก็บอกว่าผมขอเชื่อพระเจ้าของคุณด้วยได้ไหมทำอย่างไรผมถึงจะเป็นคริสเตียนเหมือนคุณได้แลวเขาถาม เขาก็ถามครูฝึกว่าทำไมท่านถึงอยากจะมาเป็นคริสเตียนเหมือนผมครูฝึกบอกว่าก็พระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่จริงๆคุณไปเปิดกระโปรงรถดูสิทำไมเลยครับถ้าหารเกณฑ์ถามก็รถยนต์คันนี้มันถูกถอดเครื่องยนต์ออกแต่พระเจ้าทำการยิ่งใหญ่เคลื่อนรถคันนี้เข้าไป ในโรงจอดรถกองร้อยทหารกองร้อยทั้งกองนี้ขอรับเชื่อพระเจ้าซึ่งจริงๆเขาต้องการที่จะโหมเหงเพื่อนคริสเตียนคนนี้ขอบคุณพระเจ้าครับความอดกลั้นใจความปราณีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราให้พระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของเราติดสนิทอยู่กับพระองค์ ควดีแหละครับหลายๆครั้งเราปรารถนาที่จะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไม่มีความดีที่อยู่ข้างในการเป็นคนดีของเรานั้นก็เพียงฉับชวยเท่านั้นเองขอพระเจ้าช่วยเราที่ความดีทุกอย่างที่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเป็นอุปนิสัยของเราเราพบว่าอย่างเช่นโยเซฟ ในพนระกมภีเดิมโยเซฟถูกกันแกล้งก็คงไม่ต่างกับทหารคนนี้ถูกขายไปถูกใส่ร้ายถูกเย้ายวนด้วยเจ้าหนายหญิงถูกใส่ร้ายอยู่ในคุกแต่ทุกๆครั้งที่โยเซฟถูกกระทำอย่างนี้โยเซฟไม่ได้แค้นและโดยเฉพาะ เขาก็ได้ช่วยพวกพี่ๆที่ขายเขาไปอยู่เป็นทาสในอียิปต์นั้นให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากพ้นจากการกระดานอาหารและมีชีวิตรอดทั้งครอบครัววันที่ต้องเผชิญหน้ากับพี่ชายพวกพี่ชายทั้ง10บคนนั้นกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าที่จะเผชิญกับโยเซฟไม่ใช่ไม่กล้าที่จ ะ, ะเผ ช, ช, ชิญว่าเขาคือคนที่ทําร้ายโยเซฟ แต่โยเซฟบอกกับเขาว่าอย่า ก, กลัวเลยพี่ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเกิดผลดีโยเซฟนั้นได้เกิดผลดีเมื่อเขาชีวิตของเขามีพระเจ้าและเขามีความยำเกรงพระเจ้าประการสุดท้ายครับผลที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยความสัต์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนลักษณะของ การประพฤตินี้ถูกแสดงออกมาเป็นลักษณะของเราและลักษณะที่อยู่ในตัวเรานั้นก็จะกาหนดพฤติกรรมของเราพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็คือสิ่งที่ออกมาจากใจดังนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็จะออกมาสู่ข้างนอกด้วยทั้งคำพูด ทั้งการกระทาคนที่สัตซ์ซื่อคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตซ์ื่อในของมากและพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะได้รับคำชมดีแล้วเจ้าเป็นทาตดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากนั่นคือรางวัลของความสัตซ์ซื่อผมเคยพูดหลายครั้ง และหลายๆที่ร่างวันของความสัตย์ซื่อก็คือการที่มีงานเพิ่มขึ้นการได้รับความไว้วางใจความสามารถที่ไว้วางใจได้นะครับนั่นคือความสัตย์ซื่อและเราจงภูมิใจว่าในเมื่อเราได้รับมอบหมายงานให้มากขึ้นนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่ใช้การได้นะครับ ในวันเพนเทคอสในพระธรรมกิจการสองสามีภรรยาที่ร่วมกันขายที่ดินกับคนอื่นๆคนอื่นๆเขาก็นำเงินที่ขายได้มาไว้กับอักระทูตเพื่อจะแจกจ่ายให้กับคนที่ขัดสนซาฟิลาก็นำมาเหมือนกันแต่เขามีส่วนหนึ่งเก็บไว้ <c oughs> เมื่อมาถึงไปโตถามว่า เจ้าได้แค่นี้หรือาขายได้เท่านี้ใช่ไหมครับผมขายได้เท่านี้เปโตบอกกับเขาว่าทำไมเจ้าจงใจโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเกิดขึ้นครับเขาล้มลงเสียชีวิตทันทีไม่ใช่ชอ็อกเพราะว่าถูกจับได้ไม่ได้จํา น, นด้วยหลักฐานแต่เขาโกหกพระเจ้า นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงโทษเขาเพราะว่าเขาไม่ได้โกหกเปตโต้เขากโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซาฟิลาอันนะั้ก็ภรรยาก็มาเหมือนกันสามีคืออาเนเนียใช่ไหมครับภรรยาก็คือซาฟิลาซาฟิลามาโดยที่ไม่รู้ว่าสามีถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คําถามเช่นเดียวกันเปตโต้ก็บอกว่าทําไม เจ้าจึงร่วมกันจงใจโกโหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูสิเท้าของคนหนุ่มเหล่านี้ที่นำศพของสามีของเจ้าไปฝังแล้วสฟิลาก็เสียชีวิตครับบาปที่ไม่สามารถยกโทษให้ได้ที่พระเจ้าไม่สามารถยกโทษให้ได้มีอย่างเดียวครับคือ การหมิ่นประมาทพระวินยามบริญญสุทธิ์ที่เหลือนั้นจากนั้นพระเจ้าสามารถที่จะยกให้ได้แต่เมื่อเราถ้าเรายอมจำนนต่อพระวินยามบริสุทธดของพระเจ้าให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราเราก็จะเป็นคนที่สัต์ซื่อสะอาดโปรง่งใสไม่มีนอกไม่มีในและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว ความสุภาพอ่อนน้อมก็เกิดขึ้นในกาลเทียบทที่6ข้อที่สองมีผู้หนึ่งผู้ใดถูกจับได้ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนเหล่านั้นด้วยใจอ่อนสุภาพครับด้วยความอ่อนสุภาพนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางเราอยู่ท่ามกลางและชีวิตของเราและ ความสุภาพอ่อนน้อมเหล่านี้คนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมจะได้รับมรดกได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนั่นเองหมายความว่าเราจะมีเพื่อนอีกมากมายเราจะมีด้วยความ อัธยาศัยเมตตรีทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราได้ให้พระคริสต์เจ้าสู้ผู้ทรงเป็นแบบอย่างนั้นอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูจึงตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่า เราสุภาพและใจิตใจอ่อนน้อมเราเห็นใจอ่อนน้อมของปรีศุขิตเจ้าความสุภาพอ่อนน้อมของพระองค์ขณะที่เขาจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องอนาณาเนียอาจจะลืมไปแล้วไหมครับหลายปีแล้วนะฮะอสลันคือสิงโตตัวนั้นที่ถูกจับไปเชื้อ ไม่ต่อสู้อะไรเลยจริงๆแล้วสิงโตเป็นสัตว์ที่ดูร้ายใช่ไหมครับสามารถที่จะตะปบแล้วก็สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ฆ่าผู้บุกรุกได้แต่อัชลันยอมถูกจับไปเพื่อถูกฆ่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนมาจากภาพของพระเยซูคริสต์ที่เป็น เชื้อสายของเผ่ายูดาห์ที่ยอมให้ไปจับยอมให้จับไปตรึงที่กางเขนโดยที่พระองค์ไม่ได้โต้แย้งยอมให้ข้าจับและทำด้วยปฏิบัติต่ตอผู้ที่ทำด้วยความรุนแรงอย่างอ่อนสุภาพและสุดท้ายครับการรู้จักบังคับตนคือความสามารถในการที่จะ ควบคุมตนเองได้การยอมอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงหากเราจะย้อนไปดูชีวิตของเราหรือว่าชีวิตของใครๆมีใครบ้างครับที่เป็นคนที่สมบูรณ์นอกจากพระเยซูนะครับไม่มีใคร ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์ไม่มีใครที่จะเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้ต่อต้านคัดค้านกับลักษณะของเนื้อหนังซึ่งมีการเป็นศัตรูการเป็นทะเลาะวิวาทการลิสยาการฉุนเฉียวการใส่สูงการทุ่มเถียงการแตกกกการอิจชากการเมาเหล้า และการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งมันต่อสู้อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในใจของเราอยู่เสมอแต่ขอบคุณพระเจ้าข่าวดีก็คือว่าในพยยระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ช่วยเราขณะที่เราอ่อนแอพระองค์ยึดมือของเราไว้อาจารย์เปโลจึงหนุนใจเราว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองอย่าเปิดโอกาสให้กับความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังนั้นต่อสู้กับพระวิญญาณและพระวิญญาณต่อสู้กับเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจะทำจึงทำไม่ได้แต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติ ข, ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรครับอย่า yeah. แต่กฎหมายจริงๆแล้วมีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแต่มันขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ยิงห้ามยิ่งยุห้ามเปิดอยากเปิดเพราะว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรทำไมถึงห้าม ห้ามผ่านอยากผ่านผ่านแล้วมีอะไรหรือเปล่าอย่าตอบสนองต่อความต้องการของเนื้อหนังฝ่ายผลของพระวิญญาณ น, นั้นคือความรักความปรับริ่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความดีความประณีความฉลาดซื่อการสุภาพ อ, อน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไวเลย ขอให้ชีวิตของเรานั้นเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะเกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน